วันนี้เป็นวันเสาร์ที่1ดพฤศจิกายนพุทธศักราช2560ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน12เป็นวันพระวันธรรมสวรนระวันฟังธรรม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 ในวันพระในวันธรรมัะสวนะนีเองคือควรจะฟังธรรมกันอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งสมัยโบราณนี้การฟังธรรมนี่เป็นสิ่งที่ยากกว่าในสมัยปัจจุบันเพราะในสมัยโบราณนี้เราไม่มีเขาไม่มีสื่อเหมือนกับสมัย สมัยนี้สมัยนี้มีธรรมะบันทึกไว้ในสื่อต่างๆบันทึกไว้ในหนังสือในเทปในซีดีและเดี๋ยวนี้ก็มีสามารถฟังถ่ายทอดสดได้จากโทรศัพท์มือถือแต่สมัยโบราณ น, นั้น เวลาจะฟังธรรมกันต้องไปวัดกันเพราะคนส่วนใหญ่สมัยก่อนก็อ่านหนังสือไม่ออกชาวนาชาวไร่ไม่มีการศึกษาเร่มเรียนเวลาจะฟังธรรมต้องไปที่วัดต้องรอให้มีการแสดงธรรมที่วัดวัดก็จะจัดการแสดงธรรมในวันธรรมสวรรค์อย่างวันนี้ คือในวันพระเดือนหนึ่งก็มีอยู่สี่ครั้งด้วยกันสมัยโบราณสมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างนี้การฟังทมตามการตามเวลาก็หมายความว่าให้ฟังในวันธรรมสวรรในวันพระนี่เองเพราะจะฟังมากกว่า น, นั้นก็ ไม่มีการแสดงเพราะไม่มีเวลาว่างคนฟังก็ไม่มีเวลาจะมาฟังเพราะต้องไปทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจะไปวัดทุกวันก็ไปไม่ได้พระก็เลยไม่ได้แสดงธรรมทุกวันแสดงธรรมแต่เฉพาะวันที่มีสธาธญายโยมาทาบุญที่วัดกัน ญาติยโยมก็หยุดทำงานได้อาทิตย์ละวันสองวันก็ใช้วันหยุดนี้มาฟังเทศฟังธรรมกันแต่สมัยนี้เรามีสื่อต่างๆที่เราสามารถฟังเทศฟังธรรมหรือศึกษาธรรมะได้ตลอดเวลาที่เราต้องการดังนั้น ถ้าเราได้ศึกษามากเราก็จะได้ความเป็นสิริมงคลมากขึ้นไปยิ่งศึกษาทุกวันก็จะได้มงคลทุกวันได้ความเป็นสิริมงคลความเป็นสิริมงคลก็คืออะไรก็คือความสุขความเจริญของจิตใจที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมนั่นเอง เพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้มีอ น, นิสงส์อยู่ห้าประการด้วยกันคือมีผลประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองถ้าได้ยินได้ฟังธรรมมาแล้วพอได้ฟังซ้ำอีก ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ 3. จะช่วยกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้ 4. จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาและหจะทำให้จิตใจผ่องใสสงบมีความสุข นี่คือมงคลที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมการที่เราจะได้รับมงคลนี้เราก็ต้องฟังฟังแบบที่ถูกลักษณะของการฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็มีอยู่สองลักษณะด้วยกันฟังแบบทับทีในหม้อแกง กับฟังแบบลิ้นกับแกงถ้าฟังแบบทับพีในหม้อแกงก็จะไม่ได้รับอันที่สองไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังเทศฟังธรรมเหมือนกับทับพีที่จะไม่ได้รับประโยชน์จากแกงที่ทับพีนั้นได้สัมผัสเพราะทับพีไม่มีการรับรู้ว่าแกงที่ทับพีได้สัมผัสนั้นเป็นแกงชนิดไหน อร่อยหรือไม่อร่อยถ้าฟังแบบลิ้นกับแกงนี้ถึงจะได้รับประโยชน์เพราะลิ้นนี้จะได้รได้สัมจะรู้ว่าสิ่งที่ลิ้นได้สัมผัสแกงที่ได้สัมผัสนั้นเป็นแกงชนิดไหนเป็นแกงจืดเป็นแกงเผ็ดเป็นแกงเปรี้ยวแกงหวานก็จะได้รับประโยชน์ จากการได้สัมผัสกับแกงใจของพวกเรานี้ก็เป็นอย่างนั้นใจของพวกเราเป็นผู้ที่จะมาสัมผัสรับรูบร้รสแห่งธรรม ท, ที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าใจเราเป็นแบบทัพพีในหม้อแกงใจเราก็จะไม่ได้สัมผัสได้รับรู้กับรสแห่งธรรมที่เป็นรสชนะทั้งที่เป็น รถที่ชนะรถทั้งปวงนี้ได้แต่ถ้าเราฟังแบบลิ้นกับแกงเราก็จะสามารถสัมผัสรถแห่งธรรมที่มาสัมผัสกับใจได้จะได้รู้ว่าเป็นรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงการฟังธรรมแบบทัพพีในหม้อแกงนี้ฟังนอย่างไร ก็ฟังแบบกายวาจาใจที่ไม่สงบนั่นเองเช่นขณะที่ฟังทำไปร่างกายก็ทำงานไปทำเย็บปักถักล้อยทำกับข้าวทำอะไรต่างๆวาจาก็คุยกันนั่งคุยกันคุยเรื่องนั้นคุยเรื่องนี้ใจก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ นี่คือลักษณะการฟังแบบทัพพี่ในหม้อแกงถ้าเราฟังทําไปพร้อมๆกับการทํางานทําการพร้อมๆกับการคุยกันพร้อมๆกับคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําที่มาสัมผัสกับใจนี้จะเข้าไม่ถึงใจจะเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปฟังแล้วจะไม่รู้เรื่องว่าได้ฟังอะไร ก็จะไม่ได้รับประโยชน์5ประการที่ได้ที่จะเกิดจากการฟังธรรมคือจะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมที่เคยไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถึงแม้ได้ยินแต่ก็เหมือนกับไม่ได้ยินเพราะใจไม่ได้ไม่ได้เป็นวิ้นใจเป็นทัพพีหรือถ้าเป็นภาชนะก็เป็นภาชนะที่คว่ำอยู่ไม่ได้งายขึ้น เวลาเราจะเทน้ำใส่ไปในภาชนะนี่เราต้องหักงายภาชนะขึ้นมาน้ำถึงจะใส่เข้าไปในภาชนะได้ถ้าเราคว่ำภาชนะไว้เทน้ำเข้าไปเท่าไหร่น้ำก็ไม่สามารถเข้าไปในภาชนะนั้นได้ใจเราก็เป็นเหมือนภาชนะรองรับน้าแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเราคว่ำใจไว้คือไม่ตั้งใจ ฟังทำโมแต่ไปทำอย่างอื่นโมแต่ไปพูดโมแต่ไปคิดอย่างอื่นทมที่มาสัมผัสกับใจก็จะไม่เข้าไปในใจฟังแล้วก็จะไม่เข้าใจจะไม่รู้ว่ากำลังฟังอะไรอยู่นั่นเองมงคลก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าฟังทมแบบกายวาจาใจไม่สงบ การจะฟังทำให้เป็นแบบลิ้นกับแกงนี้จำเป็นที่จะต้องฟังแบบกายวาจาใจต้องสงบร่างกายต้องไม่ทำอะไรอย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังนั่งกันอยู่ตรงนี้เรียกว่ากายสงบวาจาก็ไม่คุยกันไม่พูดกันมีกายวาจาสงบนี้ก็เรียกว่ามีศีล ตอนนี้ท่านมีศีลกันแล้วแล้วก็ใจถ้าไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คิดอยู่กับเสียงธรรมที่มาสัมผัสเนี่ยตั้งใจฟังใจก็เรียกว่าใจสงบใจมีสมาธิเนี่ยการฟังธรรมที่จะทำให้เกิดสัมมาธิฏฐิเกิดปัญญาขึ้นมาได้ จึงต้องฟังด้วยศีลและสมาธิถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิปัญญาจะไม่เกิดจากการฟังธรรมถ้าเราทำงานเราก็ต้องไปคิดกับงานที่เรากําลังทำอยู่ถ้าเราพูดคุยกันเราก็ต้องไปนึกถึงเรื่องที่เราจะพูดคุยกันใจเราก็เลยไม่ได้ตั้งใจที่จะฟังธรรม เวลาทำมาสัมผัสก็จะไม่รู้ว่าเป็นทำอะไรรู้ว่าเป็นเสียงแต่ไม่รู้ว่ามีความหมายว่าอย่างไรเพราะใจไม่ได้ตั้งใจฟังใจมัวแต่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ดังนั้นถ้าเราอยากจะฟังทำให้เกิดอนิสงส์เกิดประโยชน์เกิดความเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อชีวิต จิตใจของพวกเราเราจึงต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบนถึงจะได้รับประโยชน์เต็มร้อยถ้าฟังแบบครึ่งคึ่งกลางๆทํางานไปกับทําไปแล้วก็ฟังไปสลับกันเวลาทํางานก็ไม่ได้ฟังเวลาฟังก็ไม่ได้ทําก็จะได้แบบครึ่งๆกลางๆล ได้ไม่เต็มที่ก็จะไม่สามารถทำให้เกิดปัญญาได้ไม่สามารถกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้ไม่สามารถทำใจให้สงบผ่องใสได้ถ้าอยากจะให้ได้รับประโยชน์ได้มงคลจากการฟังธรรมเราจึงต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ อย่างที่ท่านกำาลังทำขณะนี้ส่วนที่เห็นได้ก็มีสองส่วนคือกายกับวาจาที่สงบแต่ใจนี้ยังไม่เห็นยังไม่รู้กันว่าใจสงบหรือไม่ขณะนี้ใจกำลังอยู่ที่ไหนอยู่กับการฟังธรรมหรืออยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้ถ้ากำลังคิดถึงเรื่องอื่น ไม่ได้คิดอยู่กับเรื่องธรรมที่กำลังฟังอยู่ฟังธรรมก็จะไม่ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันสมัยก่อนสมัยพุทธกาลนี้ถ้าผู้ฟังมีศีลมีสมาธิพอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็จะได้ปัญญาได้บรรลุ ธ, ธรรมในขณะที่ฟังเลยนี่คือประโยชน์ที่จะได้รับ จากการฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบฟังด้วยศีลฟังด้วยสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาเกิดความรู้ที่จะทำให้เราดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้เพราะธรรมที่เราฟังนี้เป็นธรรมที่เรามักจะไม่ได้เคยได้ฟังมาก่อนไม่รู้มาก่อนเช่นอะไร เช่นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าสัพเพธรรมาอนัตตาสัพปสิ่งสัพปสิ่งทั้งหลายในโลกนี้สัพปสิ่งสัพ บ, บุคคลทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราของทุกอย่างที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้เช่นลาบยศสารเสนเช่นบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ และร่างกายของเรานี้มันไม่ได้เป็นตัวเรามันไม่ได้เป็นของเราของพวกนี้มาจากดินน้ำลมไฟมาจากธาตุทั้งสี่คือธาตุดินน้ำลมไฟธาตุดินน้ำลมไฟนี่แหละเป็นเจ้าของของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งต่างๆที่ผลิตมาจากดินน้ำลมไฟ ไม่ช้าก็เล็วก็ต้องแยกกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปเช่นร่างกายของพวกเราทุกคนนี่เป็นร่างกายที่พ่อแม่ผลิตขึ้นมาโดยอาศัยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำนมไฟมารวมกันมาผสมกันธาตุทั้งสี่ที่มารวมกันนี้ก็มาในรูปแบบของอาหารที่พ่อแม่รับประทานเข้าไปอาหารเช่นข้าวก็มาจากดิน ข้าวนี้ต้องปลูกที่บนดินถึงจะได้มเมล็ดข้าวขึ้นมาผักก็เช่นเดียวกันส่วนพวกเนื้อสัตว์ก็มาจากสัตว์ที่ไปกินผักกินข้าวอีกทีหนึ่งก็มาจากดินธาตุน้ำก็น้ำที่ดื่มกันเข้าไปธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าออกที่เราหายใจกันอยู่ตลอดเวลา ธาตุไฟก็คือความร้อนที่เราได้รับจากแสงอาทิตย์เมื่อเรามีธาตุทั้งสี่ร่างกายก็จะผลิตขึ้นมาได้จเจริญเติบโตขึ้นมาได้แต่เมื่อร่างกายนี้จเจริญแติบโตเต็มที่แล้วก็ถึงเวลาที่มันจะมีการแตกสามัคคีกันพอมีการแตกสามัคคี ร่างกายก็เริ่มเสื่อมลงไปทันทีจากการเจริญเติบโตก็จะกลายเป็นการเสื่อมชราภาพเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็ตายต่อร่างกายตายธาตุทั้งสี่ก็จะแยกออกจากกาันอย่างสิ้นเชิงธาตุน้ำก็ไปทางหนึ่งธาตุลมก็ไปทางหนึ่ง ธาตุไฟก็ไปทางหนึ่งเหลือไว้อยู่แต่ธาตุดินที่เราเห็นเวลาที่เราเอาร่างกายไปเผาไปทำชาปนกิจเผาเสร็จแล้วก็เหลือขี้เท้ากับเศษกระดูกที่เป็นธาตุดินนี่คือตัวอย่างของสัพเพธรรมาอนตตา ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นของเราเราคือใครเราคือผู้รู้ผู้คิดที่เรียกว่าดวงวิญญาณที่มารับร่างกายจากพ่อแม่เรามานี้เราไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาร่างกายเก่าที่เรามีอยู่นี้เราเอามาไม่ได้เพราะมันแตกสามขีกันมันแยกกันเป็นดินน้ำลมไฟไป พอเราไม่มีร่างกายแต่ใจเรายังมีความอยากที่จะมีร่างกายอยู่เราก็มาหาร่างกายอันใหม่กันแล้วในที่สุดเราก็จะได้ร่างกายของพ่อแม่มเวลาเรามานี้เราไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยแล้วเวลาที่เราไปเราก็จะไม่ได้เอาอะไรติดตัวเราไปมาปรับมาตัวเปล่า เวลาไปก็ไปตัวเปล่าๆตัวรู้ตัวคิดนี้มาตัวเปล่าๆมากับบุญกับบาปมากับความดีความชั่วแล้วก็ไปกับบุญกับบาปไปกับความดีความชั่วเท่านั้นสิ่งอย่างอื่นนี้เอาไปไม่ได้เลยเอาไปได้ก็คือบุญกับบาปที่เรามเรียกว่ากรรมนี่เองพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเรามีกรรมเป็นของของตน จะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเรามาอยู่ในโลกนี้เรามาทำบุญมาทำบาปกันเวลาเราตายไปสิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือบุญกับบาปนี้เท่านั้นเองอย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ บุคคลต่างๆเช่นสามีภรรยาบุตรทีดา<ม>เพื่อนสนิทย า, ยาสนิทมิตรสหาย<ม>เอาไปไม่ได้ไปแต่ใจผู้รู้ผู้คิดนี้เท่านั้นพร้อมกับบุญกับบาปที่ได้ทำเอาไว้ถ้าได้เอาได้บุญไปมากกว่าบาปก็จะไปสู่สุคติได้ไปเที่ยวในสวรรค์ ก่อนที่จะไปรับร่างกายอันใหม่ถ้าเอาบาปเอาบาปมากไปมากกว่าบุญก็จะต้องไปอบายไปใช้กรรมในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรละกายไปตกนรกก่อนไปใช้หนี้ไปติดคุกติดตารางเพราะไปทําบาปเอาไว้แล้วค่อยกลับมารับร่างกายอันใหม่ ร่างกายของมนุษย์ต่อไปพร้อมกับนิสัยที่มีติดตัวมานิสัยที่ทาชอบทำบุญหรือชอบทำบาปเนี่ยมันก็จะติดมากับใจพอเรามาเกิดในภพนี้ชาตินี้เราก็จะเอานิสัยเดิมมาใช้ต่อไปถ้าเราชอบทำบุญเราก็จะทำบุญกันถ้าเราชอบทำบาปเราก็จะทำบาปกัน โดยที่ไม่ต้องมีใครมาสั่งมาสอนถ้ามันเป็นนิสัยของเราที่จะชอบทําบุญเรามีโอกาสทําบุญเมื่อไหร่เราก็จะทําทันทีถ้าเรามีนิสัยชอบทําบาปพอเรามีโอกาสที่จะทําบาปเราก็จะทําทันทีสังเกตดูในตัวเราตัวเราเองว่าเราทําบุญทําบาปโดยที่มีใครต้องมาสอนมาบอกเราหรือไม่ เวลาเราทำบุญมีใครบอกเราหรือไม่เวลาเราทำบาปนี้มีใครบอกเราหรือไม่มันมากับเรานิสัยนี่ของการทำบุญทำบาปนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าเรามาฟังแล้วเราจะได้รู้สิ่งที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อนแล้วเราจะได้ ไม่สงสัยเรื่องที่เราอาจจะสงสัยอยู่ตอนนี้คือเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์นี้มีจริงหรือไม่ถ้าฟังธรรมแล้วเราก็จะเข้าใจว่าผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟ ตายไปแล้วก็แยกกันไปสู่ดินน้ําหนมนไฟไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบุญผ ล, ผลบาปไม่ได้ไปนรกไม่ได้ไปสวรรค์ผู้ที่จะไปนรกไปสวรรค์นี้ไม่ใช่ร่างกายแต่จิตใจอที่เวลาออกจากร่างกายแล้วเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณแล้วเวลาได้ไปเป็นอเทพไปเป็นไป ไปสวรรค์นี่ก็ไม่ได้ไปสักเป็นสถานที่เป็นสภาพของจิตใจของผู้ที่ได้ทำบุญเวลาทำบุญแล้วจิตใจจะมีความสุขเหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับเราฝันดีตอนที่เรานอนหลับนี่เหมือนกับเราตายชั่วคราวตอนนั้นเราไม่มีร่างกายเราไม่ได้ใช้ร่างกายเราใช้แต่ใจ ใจก็อาศัยบุญและบาปผลิตความฝันขึ้นมาถ้าเราฝันดีก็เรียกว่าเรากำลังไปสวรรค์กันไปท่องเที่ยวในสวรรค์กันถ้าเราฝันร้ายเพราะอานิสงของการทำบาปมันก็จะทำให้เราฝันร้ายก็เท่ากับเราได้ไปอยู่ในอบายออบายหรือสวรรค์นี้ ไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสภาพจิตใจที่เป็นเหมือนกับเวทีละครเวทีของโรงละครนี้เราสามารถจัดฉากให้เป็นรูปแบบต่างๆได้จัดฉากให้เป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาจัดฉากให้เป็นป่าเป็นเขาขึ้นมาใจของเรานี่เป็นเวทีและบุญนับาปนี้เป็นผู้จัดฉากให้กับเราจัดเรื่องจัดราวให้กับเรา จัดละครที่สนุกที่มีแต่ความความสุขหรือจัดละครที่มีแต่ความเครียดมีแต่เรื่อง ม, มีแต่ความวุ่นวายมีสงครามมีการฆ่าฟันกันต่งนางๆนานาอันนี้เป็นผลของบุญและบาปที่เราทำกันมาถ้าเราทำบุญบุญนี้จะฉัดจะฉาก จัดเวทีละครให้สวยงามให้วิจิตพิสดารเหมือนกับเหมือนกับสวรรค์เหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆถ้าบาปเป็นผู้จัดฉากบาปก็จะจัดฉากที่น่าเกลียดน่ากลัวมีเรื่องมีราวมีภัยมีอันตรายต่างๆรอบด้านนี่ก็คือสวรรค์หรืออบาย ไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นจิตใจของพวกเรานี่แหละที่จะผลิตสวรรค์และอบายขึ้นมาในใจในช่วงที่ไม่ได้มีร่างกายหรือไม่ได้ใช้ร่างกายเช่นช่วงที่เรานอนหลับเราไม่ได้ใช้ร่างกายใจบุญกับบาปก็เลยมาจัดละครให้เราดูในรูปแบบของความฝันเราฝันร้ายฝันดีเนี่ย เป็นผลจากบาปและบุญที่เราได้ทำกันแล้วถ้าเราตายไปน่างกายนี้ตายไปบุญและบาปนี้ก็จะมาจัดฉากจัดละครให้เราดูกันถ้าบุญเป็นผู้จัดฉากจัดละครเราก็จะได้ดูละครที่สนุกที่มีแต่ความสุขถ้าเราได้บาปมาเป็นผู้จัดละคร เราก็จะได้ดูแต่สิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวหวาดเสียวมีได้ดูแต่ภัยอันตรายต่างๆที่มากระทบกับตัวเราแล้วมันจะฝันไปจนกว่ามันจะหมดกําลังของบุญหรือของบาปนะพอหมดกําลังแล้วมันก็หยุดฝันแล้วมันก็ไปรอรับร่างกายพอได้ร่างกาย คลอออกมาก็จะตื่นขึ้นมาเหมือนนอนหลับไปนานนอนหลับแบบเปลี่ยนร่างกายเรานอนหลับมีหลับสองแบบหลับหลับแบบไม่เปลี่ยนร่างกายกับหลับแบบเปลี่ยนร่างกายอย่างเมื่อคืนนี้เรานอนหลับแบบเปลี่ยนร่างกายพอเช้าเราตื่นขึ้นมาเนี่เรายังได้ร่างกายอันเก่าอยู่แต่ต่อไป ถ้าเวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็จะหลับแบบเปลี่ยนร่างกายแล้วจะฝันยาวกว่าที่เราฝันแบบที่ไม่ได้เปลี่ยนร่างกายถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนร่างกายแล้วหลับได้อย่างมากก็ไม่เกินเจดแปดชั่วโมงเราก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้าเราหลับแบบเปลี่ยนร่างกายนี้มันยาวอาจจะเป็นร้อยปีพันปี แล้วแต่กำลังของบุญของบาปที่เราทำไว้ว่ามีมากมีน้อยแล้วก็คิวที่เรารอที่จะมาได้ร่างกายของมนุษย์นี้มันยาวหรือไม่ยาวอันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องของการฝันแบบนอนหลับแบบเปลี่ยนร่างกายอพอตื่นขึ้นมาก็กลายเป็นเด็กทารกคลอดออกมาจากท้องแม่ อันนี้แบบหลับแบบเปลี่ยนร่างกายเวลาหลับก็เป็นคนแก่คนเจ็บพอคนตายพอตื่นขึ้ น, นมาก็กลายเป็นเด็กทารกขึ้นมาได้ร่างกายอันใหม่นี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่มาเกิดแล้วก็มาครอบครองสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นับตั้งแต่ร่างกายนี้ ร่างกายนี้เป็นสมบัติอันแรกเป็นสมบัติที่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่มีใครรู้ทุกคนก็เลยไปหลงคิดว่าร่างกายของแต่ละคนนี้เป็นตัวเราของเรากันพอเราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราเราก็จะเกิดความอยากอยากให้มันเป็นของเราไปเรื่อยๆเราไม่อยากให้มันจากเราไป ก็เ ร, เราไปคิดว่าเวลามันจากเราไปแล้วเราจะตายไปกับมันความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายแล้วเราจะไปตายกับมันได้อย่างไรนี่เราไม่รู้เราเป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นดวงวิญญาณที่ได้มารับร่างกายจากพ่อแม่แล้วพอได้ร่างกายมาก็ไปหลงคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายก็เลยต้องทุกข์กับร่างกาย ไปตลอดจนถึงวันสุดท้ายของร่างกายเนี่ทุกวันนี้เราทุกกับร่างกายโดยที่เราไม่รู้สึกตัวกันทุกเพราะว่าเราต้องคอยหากินหาอยู่ให้กับร่างกายแล้วเราก็ต้องมาคอยปกป้องรักษาร่างกายให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆที่มอีอยู่รอบตัวภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ภัยที่จากเกิดจากบุคคลต่างๆบุคคลที่ไม่ดีบุคคลที่โหดร้ายทารุณแล้วก็เกิดจากภัยจากโรคภัยไข้เจ็บเชื้อโรคชนิดต่างๆมีเต็มไปหมดเดี๋ยวก็ติดเชื้อชนิดนั่นติดเชื้อชนิดนี้ไม่งั้นก็ถูกพิษของสัตว์กัดต่อย โดนงูพิษกัดนี้เป็นต้นมีภัยรอบด้านใจเราจึงหวาดกลัวกันตลอดเวลากับร่างกับความเป็นความตายของร่างกายการมีร่างกายแล้วไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรามันจึงทำให้เราทุกข์กับร่างกายแต่ถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา อย่าไปกังวลกับมันเลยกังวลยังไงมันก็ต้องตายมันต้องแก่มันต้องเจ็บเพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายของทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ไปกังวลก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย วิธีที่จะทำให้เราไม่กังวลก็คือเราต้องรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเวลาเราเห็นร่างกายของคนอื่นเราไม่เห็นกังวลว่าเขาจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่อย่างไรก็เพราะว่าเราไม่ไปถือว่าร่างกายของเขาเป็นของเรานั่นเองแต่ถ้าเราไปถือว่าร่างกายของเขาเป็นของเราเราก็จะกังวลขึ้นมาได้เช่นไปถือว่าร่างกาย ของคนนั้นคนนี้เป็นลูกเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เป็นน้องเราพอไปถือว่าเป็นของเราขึ้นมาเราก็จะกังวลกับเขาขึ้นมาทันทีเพราะเราจะอยากให้เขาไม่เป็นอะไรอยากจะให้เขาอยู่อย่างปลอดภัยแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะปลอดภัยนั่งกายนี้ไม่มี ไม่สามารถที่จะปลอดภัยจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้ร่างกายของทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันไปกังวลก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะทำให้เกิดความทุกข์ความไม่สบายใจขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะไม่รู้เพราะไปหลงคิดว่าเป็นเราเป็นของเรากันถ้ารู้ว่ามันเป็นของดินน้ำลมไฟเป็นของที่ยืมมาจากดินน้าลมไฟ ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามร่างกายของพ่อของแม่ก็ยืมมาจากดินน้ำหนุนใยตัวพ่อตัวพ่อตัวแม่จริงๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวพ่อตัวแม่ก็คือจิตใจของพ่อของแม่นี้ไม่ตายไปกับร่างกายจิตใจของสามีของภรรยาก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจของลูกของพี่ของน้องของเพื่อน ก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่จิตใจแต่ละดวงได้มาครอบครองไว้เป็นสมบัติชั่วคราวเท่านั้นเองถ้าผู้รู้ด้วยปัญญาผู้มีสัมมาทิฏฐิจะรู้แบบนี้จะรู้ว่าไม่มีใครตายอย่างแท้จริงสิ่งที่ตายนี้ไม่ได้เป็นใครสิ่งที่ตายนี้เป็นร่างกาย เป็นอาการสามสิบสองเป็นดินน้ำนมไฟเท่านั้นเองส่วนผู้ที่มาครอบครองร่างกายแต่ละร่างกายนี้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นทิดาเป็นญาติสนิทเป็นมิตรสหายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ได้เป็นร่างกายถ้าผู้ที่เห็นความจริงอย่างนี้แล้วจะไม่มีความทุกข์เศร้าโศกเสียใจ กับการสูญเสียของร่างกายของใครไปเลยเพราะรู้ว่าผู้ที่เรารู้จักนี้เขาไม่ได้สูญเสียเขาไม่ได้ตายะสิ่งที่ตายเป็นเพียงร่างกายที่เขาใช้เป็นเครื่องมือเท่านั้นเองะพวกเราทุกคนนี้ใช้เครื่องมือเป็นเหมือนกับเราใช้โทรศัพท์มือถือกันะเพราะถ้าเราอยากจะคุยกันนี้เราต้องมีร่างกายถึงจะคุยกันได้ ถ้าคนหนึ่งตายไปร่างกายของคนหนึ่งตายไปแล้วก็คุยกับคนนั้นไม่ได้ก็เหมือนกับตอนนี้เราใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อคุยกันเวลาที่เราอยู่ห่างกันเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือพอเขามีมือถือเรามีมือถือเราก็โทรเข้าหากันแล้วเราก็ติดต่อคุยกันได้ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือที่ใจใช้ติดต่อ กันและกันใจของเรากับใจของท่านติดต่อกันได้ด้วยการมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่สามารถติดต่อกันได้เช่นคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเราอยากจะติดต่อเขาเราติดต่อไม่ได้แล้วเหมือนกับโทรศัพท์มือถือของเขาเสียมือถือของเรายังใช้ได้อยู่แต่มือถือของเขาเสียเราโทรเข้าไปก็จะไม่สามารถติดต่อกันได้ อันนี้ล่ละคือความจริงที่เราไม่รู้กันที่เราไม่ได้ยินได้ฟังกันถ้าเราไม่มาฟังเทศฟังธรรมกันเราจะไม่รู้ความจริงอันนี้แล้วเราก็จะไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแล้วสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆก็เป็นของเราพ่อแม่ก็เป็นของเราพี่น้องก็เป็นของเราสามีภรรยาก็เป็นของเราบิดามา บุตรธิดาก็เป็นของเราญาติสนิทมิสหายก็เป็นของเราพอเขาเป็นอะไรไปก็ร้องหอม่มร้องไห้กันพอร่างกายของเขาเป็นอะไรก็ร้องหอม่มร้องไห้กันเพราะเราคิดว่าเขาตายไปแล้วแต่ความจริงเขาไม่ตายเพียงแต่เขาขาดเครื่องมือสื่อสารที่จะติดต่อกับเราเท่านั้นเองคือร่างกายร่างกายนี้เป็นเครื่องมือสื่อสารสาหรับใจจะติดต่อกัน ใจของเราจะติดต่อกับใจของพวกท่านได้เราก็ต้องมีร่างกายแล้วพวกท่านก็ต้องมีร่างกายเราจึงสามารถติดต่อคุยกันได้อย่างแสดงธรรมตอนนี้ใจเราเป็นใช้ร่างกายเป็นผู้ให้พูดให้ส่งเสียงออกมาแล้วใจของท่านก็ใช้ร่างกายรับเสียงผ่านทางหูเข้าไปสู่ใจอีกทีหนึง่ง ผู้พูดกับผู้ฟังจริงๆแล้วไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงแต่ผู้รับคำพูดและส่งคำพูดไปให้แก่ผู้ฟังเท่านั้นเองดังนั้นผู้ฟังกับผู้พูดนี้ไม่ไม่ตายเวลาที่ร่างกายของผู้ฟังและผู้พูดตายไปผู้พูดผู้ฟังก็เพียงแต่ขาดเครื่องมือสื่อสารคือร่างกายเท่านั้นเองถ้ายังต้องการสื่อสาร กับร่างกายของคนอื่น<ม>ก็เลยต้องไปรอไปรับร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่กันก่อนที่จะไปเกิดใหม่เวลาที่ร่างกายเก่าตายไปก็ต้องแวะไปใช้บุญใช้บาปก่อนถ้าเป็นว า, วาระของบุญที่เราจะต้องใช้ก็ไปรับบุญไปท่องเที่ยวในสวรรค์ไปนอนหลับฝันดีจนกว่ า, า จ, จะตื่นขึ้นมา จนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ก็จะเติ่นขึ้นมาถ้าเป็นวาลัของบาปเราก็จะไปนอนหลับฝันร้ายกันไปฝันแบบน่าเกลียดน่ากลัวฝันแบบทุกข์ทรมานไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็จะเติ่นขึ้นมาจากความฝันร้ายพอเติ่นขึ้นมาพอได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็มาหลงคิดว่า เป็นตัวเราของเราแล้วก็พยายามหาอะไรมาคอยเลี้ยงดูหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายด้วยการทำบุญหรือทำบาปด้วยการไม่ทำบุญด้วยการไม่ทำบาปหรือด้วยการทำบาปเพื่อที่จะได้สิ่งที่อยากได้มาเวลาที่เราอยากได้อะไรนี้เรามักจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าสิ่งที่เราได้อยากได้เรามได้มาโดยที่ไม่ต้องทําบาปเราก็จะไม่ทําบาปแต่ถ้ามันไม่สามารถเอามาได้โดยวิธีไม่ทําบาปเราก็จะอาจจะไปทําบาปถ้าเราหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปอยากได้สิ่งนั่นขึ้นมาะได้แต่ถ้าเอาห้ามจิตใจไม่ได้อยากได้มากๆไม่มีเงินซื้อก็ต้องขอโมยกันะ อย่างคนที่ขโมยข้าวขโมยของกันเขาไม่มีปัญญาที่จะไปหามาได้โดยวิธีไม่ทําบาปเขาไม่มีงานการทําไม่มีรายได้ไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อของที่เขาอยากได้เขาก็เลยต้องเาไปต้องไปขโมยของนั้นหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปขโมยเงินแล้วจะได้เอาเงินนั้นมาซื้อของนั้นอีกทีหนึ่ง เพราะความอยากนี้เวลาเกิดขึ้นแล้วมันทรมานใจมากถ้าไม่สามารถระงับความอยากได้มันจะไม่หายทรมานวิธีจะระงับให้มันหายได้ก็มีสองวิธีคือฝืนมันยอมทรมานยอมอดทนทรมานให้มันทรมานไปสักระยะหนึ่งพอความอยากมันหมดกำลังความทรมานใจมันก็จะหายไปแต่วิธีนี้คนส่วนใหญ่ไม่ยอมทากัน เพราะมันทนไม่ไหวกับความทรมานใจจึงไปทําอีกวิธีหนึ่งก็คือไปทําตามความอยากพออยากได้อะไรก็ไปทํำความอยากตามความอยากทันทีพอได้ทําตามความอยากความทรมานใจที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปแต่มันจะหายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่จะโผล่ขึ้นมาอีกแต่ถ้าเรา ทนกับความอยากได้ไม่ไปทําตามความอยากได้ปล่อยให้ความอยากมันหมดลิดไปเองต่อไปความอยากมันจะไม่กลับมาสร้างความทรมานใจให้กับเราอีกต่อไปนี่คือเรื่องของเหตุที่ทําให้พวกเราต้องมาเกิดกันก็คือความอยากต่างๆนี้เองถ้าเราหยุดความอยากนี้ได้ฝืนความอยากนี้ได้ สู้กับความอยากนี้ได้ไม่ไปทําตามความอยากได้พอมันหมดไปจากใจแล้วมันก็จะไม่มีอะไรที่จะทําให้เราอยากจะกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะเราไม่มีความอยากจะดูจะฟังเราก็ไม่ต้องมีตามีหูไม่ต้องมีร่างกายที่เรายังต้องมีร่างกายอยู่ตอนนี้เพราะอะไรเพราะเรายังมีความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิน่น อยากสัมผัสสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายของเราอยู่นั่นเองเราจึงต้องมีร่างกายเพราะเวลาที่เราอยากเราไม่ได้ทำตามความอยากนี่มันทรมานเวลาที่เราตายไปไม่มีร่างกายแต่ใจเรายังมีความอยากที่จะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆผ่านทางร่างกายเราก็เลยต้องไปมีร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ พอเกิดแล้วก็ต้องมาทุกขกับการมีร่างกายทุกเพราะว่ารักเราลักเราหวงร่างกายหวงร่างกายแล้วก็ต้องคอยดูแลเลี้ยงดูคอยปกป้องรักษาภัยต่างๆที่จะมากระทบกับร่างกายต่อให้เราดูแลรักษาดีขนาดไหนป้องกันดีขนาดไหนก็ยังไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายกันอยู่ดี การมีร่างกายมันก็เลยเป็นการมีความทุกข์คนที่ไม่ต้องการมีความทุกข์ก็ต้องไม่มีร่างกายเท่านั้นการที่จะไม่มีร่างกายก็ต้องหยุดความอยากความอยากที่พาให้เรามามีร่างกายกันคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากร่ำรวย อยากให้คนยกย่องสรรเสริญเยินยออยากมีหน้ามีตามีเกียรติเรียกว่าความอยากมีอยากเป็นแลความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คือความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เราได้มาพอรวยแล้วก็อยากจะไม่ไม่อยากจะให้มันหายไปอยากจะให้รวยไปเรื่อย พอเป็นใหญ่แล้ว <Hoch> ก <sch at> ็อยากจะให้เป็นใหญ่ไปเรื่อยๆไม่อยากให้ความเป็นใหญ่ของเรานี้หมดไปเรียกว่าความอยากไม่เป็นรวยแล้วก็อยากจะรวยไปเรื่อยๆความอยากไม่ให้ไม่รวยนี้จะไม่ไม่ได้ต้องต้องรวยพอไม่รวยแล้วจะอยากขึ้นมาอยากให้มันรวยขึ้นมาพอรวยก็อยากจะให้มันรวยไปเรื่อยๆไม่อยากให้มันจน นี่คือความอยากต่างๆที่เป็นตัวผลักดันให้จิตใจของพวกเรานี้ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่มีความรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มานี้มันไม่ใช่ของเราเป็นของยืมมามได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องคืนเจ้าของเขาไปได้ลาบยศสรรเสริญได้ร่างกายมาเดี๋ยวก็ต้องคืนดินน้ำนมไฟไป หามาถ้าเป็นท้าตายแล้วในที่สุดก็ต้องเสียไปหมดถ้าเรารู้ความจริงอันนี้เราจะได้ไม่ต้องไปดิ้นหลอนหากันเรามาหยุดความอยากกันดีกว่ามาฝืนความอยากกันอย่าไปทำตามความอยากกันแล้วเราจะได้ไม่ต้องมามีร่างกายไม่ต้องมายืมร่างกายจากดินน้ำลมไฟเพราะยืมเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าไปได้อะไรมาก็เหมือนกับไปยืมของเขามา ได้ลาบยศสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกเิ้นกายก็เหมือนกับไปยืมเขามายืมมาจากดินน้ำลมไฟพอถึงเวลาก็ต้องคืนเข้าไปเวลาเขามาทวงเวลาเขาจะมาทวงลาบก็ต้องคืนเข้าไปเวลาก็มาทวงยศก็ต้องคืนเข้าไปเวลาก็มาทวงสรรเสริญก็ต้องคืนเข้าไป เวลาเขามาทวงความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องทวงก็ต้องคืนเข้าไปเวลาคืนไปนี้มันสุขหรือทุกข์กันร้องห่มร้องไห้กันเวลาต้องคืนทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่ยืมเข้ามาคืนเข้าไปจากการเป็นคนร่ำรวยกลับมากลายเป็นคนจนอย่างนี้จะรู้สึกอย่างไรจะสุขหรือทุกข์เวลารวยแล้วจน เวลาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วถูกเขาปลดปลดยศปลดตาแหน่งอะไรต่างๆเวลาที่เขาเคยสรรเสริญแล้วเขามาเปลี่ยนมาตำหนิติเตียน อ, อันนี้จะรู้สึกอย่างไรเพราะว่าของพวกนี้มันไม่ได้เป็นของเรานั่นเองมันเป็นของที่เรายืมมาที่เราจะต้องคืนเขาไป เช่นวันนี้เราอาจจะไปยืมรถของเพื่อนของชาวของพี่ของน้องมารถของเราเสียจะมาวัดมาไม่ได้ก็เลยขอยืมรถของน้องของพี่มาพอเรามาวัดแล้วเดี๋ยวกลับไปเราก็ต้องคืนรถคืนเจ้าของเขาไปทำไมเราเวลายืมของเขามาแล้วเราคืนเขาไปทำไมเราไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกเสียใจ ก็เพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราแต่ว่าเราที่เราเสียสิ่งต่างๆไปทำไมเราเสียอกเสียใจกันเพราะเราไม่รู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราไปคิดว่ามันเป็นของเราเราไม่รู้ว่ามันเป็นของที่เรายืมมาจากดินน้ำนงฝอยของทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้มันมาจากดินน้ำนมฝอยทั้งนั้นเวลาได้มาก็ขอให้เรารู้ไว้ว่ามันเป็นการยืมมาเท่านั้นเอง เวลาเราได้เงินทองมานี่ขอให้เรารู้ว่าเป็นการยืมเงินทองเขามาเดี๋ยวต้องใช้คืนเขาไปยืมเขามาร้อยหนึ่งก็ต้องคืนเขาไปร้อยหนึ่งได้อะไรมาเท่าไหร่ก็ต้องคืนเขาไปหมดเพราะมันไม่ได้เป็นของเราเนี่นเวลาที่เราตายนี้เป็นเวลาที่เราต้องคืนขอ ง, งต่างๆที่เราได้จากในโลกนี้มาไปหมด คืนดาบยศ ส, สรรเสนคืนความสุขทางตาหูจมูกมือกายคืนร่างกายของเราไปหมดเลยเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวสตางค์เดียวก็เอาไปไม่ได้สิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือบุญและบาปฤกษ์กรรมที่เราทำอยู่นี่มันจะเป็นนิสัยติดไปกับเราถ้าเราทำบุญมันก็จะมีนิสัยทาบุญติดไปกับเรา ถ้าเราทำบาปมันก็จะมนิสัยทำบาปติดไปกับเราแล้วพอชาติหน้าเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะมาทำบุญทำบาปกันใหม่อีกทีแล้วเวลาตายไปเราก็ต้องไปรับผลบุญ ผ, ผ, ผลบาปกันอีกเราก็กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมายืมของต่างๆแล้วพอตายก็ต้องคืนของต่างๆที่เรายืมมาไปหมดเนี่ยสรุปแล้วคือเราไม่ได้อะไรเลย กับการมาเกิดแต่ละครั้งได้มากได้น้อยในที่สุดก็ต้องคืนเขาไปหมดเอาอะไรไปไม่ได้เลยสิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือบุญกับบาปเท่านั้นเองถ้าเป็นบุญก็ได้ไปท่องเที่ยวไปไปฝันดีถ้าได้บาปก็ต้องไปฝันร้ายถ้าหยุดความอยากได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป วิธีที่จะหยุดความอยากได้ต้องทำอย่างไรก็ต้องทำแบบที่พระพุทธเจ้าทำก็คือต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองทำทานไปให้หมดมีเงินทองกี่บาทอย่าเอาไปใช้ตามความอยากการเอาเงินทองไปใช้ตามความอยากนี้เป็นการสร้างความอยากให้มีมากขึ้นไม่ใช่ลดความอยากให้มีน้อยลงไปวิธีที่จะลดความอยากให้มีน้อยลงไปก็คือ เอาเงินทองที่เราจะเอาไปใช้กับความอยากนี้เอาไปทำบุญแทนเอาไปทาทานเอาไปให้คนอื่นแทนที่จะไปเที่ยวอยากไปเที่ยวก็ต้องใช้เงินเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญทาทานแล้วเราจะได้ไม่ไปเที่ยวกันพอเราไม่ไปเที่ยวความอยากเที่ยวมันก็จะลดน้อยลงไปแล้วต่อไปมันก็จะหายอยากความอยากเที่ยวมันก็จะหมดไป ถ้าทุกครั้งที่เราอยากไปเที่ยวเราก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญทําทานแทนถ้าเราทำบุญทาทานอยู่บ่อยๆต่อไปเราก็จะไม่อยากไปไหนเราก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเราก็เอาเงินทองนี้ไปทำบุญทาทานได้หมดเลยแล้วเราจะได้ไปบวชกันเพราะเราจะได้มีเวลาที่จะมาหยุดความอยากกันให้ได้มากขึ้นนั่นเอง การทำบุญทำทานก็หยุดความอยากได้ในระดับหนึ่งแล้วถ้าเราอยากจะหยุดความอยากที่มีกําลังมากกว่านี้เราก็ต้องรักษาศีลเวลาเราอยากจะทําบาปเราก็ต้องไม่ทําบาปการที่เราจะรักษาศีลได้เราก็ต้องทําบุญก่อนถ้าเราทําบุญแล้วใจเราจะไม่อยากจะทําบาปมันก็จะทําให้การรักษาศีลนี้รักษาได้ง่ายพอเรารักษาศีลได้ห้าข้อแล้วเราก็จะสามารถ รักษาเพิ่มเป็นแปดข้อได้ถ้าเรารักษาศีลแปดได้เราก็จะมีเวลาไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิไปภาวนาไปเจริญสมถภ า, าวนาเจริญวิปัสสนาภาวนาที่จะทำให้เราหยุดความอยากทำลายความอยากได้หมดสิ้นไปนี่คือวิธีของการที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันเองต่อไป ก็คือเราต้องทำทานก่อนทำทานได้แล้วก็รักษาศีลรักษาศีลห้าได้แล้วก็รักษาศีลแปดรักษาศีลแปดได้ก็ไปอยู่วัดได้ไปบวชได้ไปปฏิบัติธรรมได้ไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมได้ไปทำใจให้สงบไปสอนใจให้ฉลาดให้เห็นว่า การมีความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์สร้างการเกิดแก่เจ็บตายการไม่มีความอยากก็ต้องฝืนไม่ทำตามความอยากถ้าฝืนได้ต่อไปความอยากก็จะหมดไปพอไม่มีความอยากในใจก็จะไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีความทุกข์ใจอีกต่อไปออออนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าใช้ในการหยุดความอยาก ทำให้พระพุทธเจ้าไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับพวกเราที่ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่นละจะเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้มารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มานี้เป็นของชั่วคราวเป็นของยืมเข้ามาได้มามากน้อยเพียงไรเดี๋ยวก็ต้องคืนกข้าไปหมดหามาถ้าเป็นแทบตาย อล้ไหนที่สุดก็ต้องคืนเข้าไปหมดสู้อยาหามันดีกว่าสู้อยามาเกิดดีกว่าการมาเกิดนี้มันมีแต่ความทุกข์ทุกข์กับการหาทุกข์กับการรักษาแล้วก็มาทุกข์กับการสูญเสียไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความทุกข์หลายคนฉลาดคนโง่จะมองไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์กลับจะเห็นว่าได้โนู่นได้นี่ได้เงินได้ทองได้ลาบได้ยศได้สัรเสริญ ได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายราไม่เห็นเวลาที่มันเสียไปว่าได้มาเท่าไหร่ก็ต้องเสียไปเท่านั้นก็แสดงว่าไม่ได้อะไรเลยเท่ากับศูนย์มามาตัวเปล่าๆมากับศูนย์แล้วก็ไปกับศูนย์คนจลาดจะเห็นว่ามากับศูนย์ไปกับศูนย์ระหว่างที่อยู่ก็มีแต่ความทุกข์ ทุกข์เพราะว่าไปหลงกับสิ่งที่ได้มาคิดว่าเป็นของเราก็ต้องทุกข์กับการรักษาทุกข์กับการดูแลทุกข์กับการสูญเสียคนฉลาดจึงรู้ว่าการเกิดนี้ไม่ดีเกิดมาแล้วจะต้องมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆทุกข์กับการหาทุกข์กับการดูแลรักษาสิ่งที่หามาได้แล้วก็ต้องมาทุกข์กับการสูญเสียสิ่งที่หามาได้ไป สู่อย่ามาเกิดดีกว่าและการจะไม่มาเกิดได้ก็ต้องหยุดความอยากต่างๆให้ได้หยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะหยุดความอยากมีอยากเป็นหยุดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นให้ได้และการจะหยุดความอยากเหล่า น, นี้ได้ก็ต้องหยุดด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดรักษาศีลสองร้อยี่บเจ็ดแล้วก็จะได้มีเวลามา ยแลนธรรมะภาวนาวิปัสนาภาวนามาปฏิบัติธรรมมาเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบเพื่อจะหยุดความอยากแล้วก็ใช้ปัญญามาฆ่าความอยากอีกทีหนึง่งถ้าไม่มีปัญญาความอยากจะไม่มีวันตายไปสมาธิเป็นการเพียงแต่หยุดไว้กดเอาไว้กดไว้เพื่อให้เอาปัญญามาฆ่ามันอีกทีหนึง่งถ้าไม่มีสมาธิก็ต้อง ก็จะไม่มีจะไม่สามารถฆ่ามันได้เพราะมันจับยากต้องจับมันมากดไว้ก่อนเหมือนกับจะฆ่าใครนี้ถ้าจับเข้ามามัดมือมัดเท้าไว้ได้แล้วก็ฆ่าได้ไง่ายถ้าเขายังวิ่งได้ยังวิ่งหนียังต่อสู้ได้ก็จะฆ่าเขายากหรืออาจจะฆ่าเขาไม่ได้ยันใดสมาธ่ก็เป็นเหมือนกับการไปจับความอยากมามัดไว้เอไม่ให้มันเด่นไม่ให้มันหนีไม่ให้มันต่อสู้ แล้วก็เอาปัญญานี้มาข่ามันได้พอมีปัญญาข่าความอยากได้หมดแล้วต่อไปใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกขแบบที่เรากำลังทุกกันอยู่ในขณะนี้แล้วจะทุกกันไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรายังไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติทานศีลภาวนานี้ได้อย่างเต็มร้อยถ้าอยากจะหยุดความอยากได้อย่างเต็มร้อยเราต้องมา ปฏิบัติทานศีลภาวนาให้ได้เต็มร้อยคือได้ตลอดเวลานั่นเองผู้ที่จะปฏิบัติได้ตลอดเวลาก็จึงต้องเป็นต้องเป็นนักบวชกันต้องไปบวชกันจะไปบวชก็ต้องสละสมบัติเข้าของเงินทองไปหมดเพื่อจะได้ไม่ต้องมากังวลกับสมบัติเข้าของเงินทองแล้วจะได้มีเวลาปฏิบัติต่อสู้กับความอยากได้อย่างเต็มร้อย ถ้าได้ปฏิบัติอย่างเต็มร้อย<ส>ก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้อย่างสิ้นเชิงเมื่อกำจัดได้หมดแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปอย่างที่เรากำลังทุกข์กันอยู่ขณะนี้แลาจะทุกข์กันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ก่อนจะมาเกิดก็ต้องไปใช้บุญใช้บาป ก, ก่อนพอกลับมาเกิดก็จะมา ทำตามความอยากกันใหม่แล้วก็ทําด้วยบุญทําด้วยบาบ้างสลับกันไปะแล้วก็จะเวียนว่าตายเกิดขึ้นๆล ง, ลงๆอย่างนี้ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่เราได้มาพบกันในวันนี้เราจะได้รู้ว่าเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วเราจะได้อปฏิบัติตัวเราให้ถูกต้อง ด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยความเห็นที่ถูกต้องว่าการมาเกิดการทำตามความอยากนี้เป็นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดทำเหตุให้เรามาทุกข์กันความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายและสิ่งต่างๆเป็นตัวเราของเราทำให้เราต้องทุกข์กันถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเราจะไม่ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วเราจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะเราไม่ต้องการ ที่ยังมีสิ่งต่างๆที่ไม่ได้เป็นของเรามีแล้วก็ต้องคืนเจ้าของเข้าไปก็ไม่ต้องไปมีมันดีกว่าเอาของที่เป็นของเราดีกว่าก็คือความหมดอยากเวลาใจหมดอยากนี่ใจกับมีความสุขมากกว่าเวลาใจมีอะไรต่างๆมากมายกลายกองเพราะความสุขที่แท้จริงก็คือความว่างนี้เองนิพพานังปลมังสุญญอย่างใจที่ไม่มีความอยากได้อะไร จะ อ, อ, อยู่กับความว่างเพียงอย่างเดียวนี่แหละเป็นใจที่มีความสุขอย่างยิ่งเพราะมีอะไรมันก็จะต้องมาทุกขกับสิ่งที่มีเพราะมันเป็นไม่ใช่เป็นของเราเพราะมันจะต้องจากเราไปในที่สุดนั่นเองนี่คือประโยชน์สุขที่พวกเราจะได้รับจากการมาฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าฟังแล้วเข้าใจนำเอาไปปฏิบัติต่อไปจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย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 เอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกาปติยติตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจยาตุสับเหปโหรนตุสังกปาจันโทปนาอาราโสยะธามณิโชติอาราโสยะธาสัพพิตโยวิวาจาตุสัพพารโคลีวนัสตุ มาเตภวัตะวันตรายุสุขีทีขายุโกผวะอภิวาธนศีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมวททานติอายุวะโนสุขังภาลังําดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรม ใครมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วจะขอนวดตอบปัญหาก็อยากจะถามขอกราณาถามผ่านทางให ม, ม่ถ้าไม่ต้องการจะมาถามเองก็เขียนข้อความส่งเข้ามาให้เขาอ่านก็ได้อตอนนี้วันนี้เฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่เฟซบุ๊กเข้ามาที่350คนครับยอทูบ100คนครับ ถ้ายังไม่มีคำถามจากผู้ที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็ให้คำถามจากทางบ้านเข้ามาก่อนคำถามฝากถามจากบนเขาค่ะถามว่าเราจะทำอย่างไรดีถ้าเราต้องอยู่กับความอิจฉาของผู้อื่นในวงเล็บหนูถูกอิจฉาและใส่ร้ายค่ะก็อยู่เหมือนกับอยู่กับฝนฟ้าอากาศเนยเราเกิดมาเราก็ต้องอยู่กับดินฟ้าอากาศใช่ไหม ฝนตกแดนออกน้ำท่วมแผ่นดินไว้เราก็ต้องอยู่กับมันไปเพราะเราไม่ห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้ฝนตกไม่ได้ห้ามไม่ให้แดดออกไม่ได้เราก็อยู่กับมันได้ไม่เห็นเดือดร้อนเลยที่เราเดือดร้อนเพราะเราไม่อยากจะอยู่กับมันพอเจอคนอิจฉาหรือเสก็ไม่อยากจะอยู่กับเขามันก็เลยทําให้เราทุกข์แต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นเหมือนกับฝนฟ้าอากาศที่เราห้ามเขาไม่ได้ คนเขาจะรักจะชังเราจะเกียดเราจะเอิดฉาเราเราไปห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เราก็เฉยเฉไปกับทางนั้นเองไม่มีปัญหาเลยคำถามจากอินบ็อกค่ะคำถามจากคุณพุทธบทสวดมนต์พระธรรมจกักรมีท่อนสุดท้ายที่พูดถึงการสาธุการของเหล่าเทวดาตั้งแต่ชั้นจตุมหาราชิกาไปจนถึงพรหมชั้นอากาศนิทะกา จากประสบการณ์ของหลวงพ่อที่ได้บําเพ็ญมาหลวงพ่อพอจะให้คําตอบได้ไหมครับว่าพ่อพุ่มเหล่านี้มีอยู่จริงหรือไม่ผมจะปรงใจเชื่อได้อย่างสนิทใจได้อย่างไรสิ่งที่ว่าผมว่าสิ่งที่ผมศรัทธาบูชาอยู่ถูกต้องถูกท่วนดีแล้วเราเอาแา่สิ่งที่เราพิสูจน์ได้สิสิ่งที่เราไม่พิสูจน์ไม่ได้เราก็อาวางไว้ก่อนเช่น เราฟังเทศฟังธรรมธรรมะจักเนี่ยเราต้องการฟังอะไรฟังเพื่อให้รู้ว่ามีเทวดามาสาธุการหรือว่าฟังเพื่อให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสิ่งที่เรารับประโยชน์ได้พิสูจน์ได้ไม่ต้องสงสัยก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าอที่สอนมากแปดเนี่ยเราไปปฏิบัติ ด, ดูเลยไม่ต้องไปสนใจว่ามีเทวดามาสาธุการมาตบมือแสดงความยินดีกับการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า พราะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องความสุขความทุกข์ของเราความสุขความทุกข์ของเราอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้หรือเปล่าดันั้นเรามันกจะไปหลงประเด็นแล้วทําให้เราเสื่อมศรัทธาโดยใช่เหตุนไปอยากจะไปพิสูจน์ในสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในฐานะของเราที่จะพิสูจน์ได้แต่สิ่งที่เราพิสูจน์ได้เรากลับไม่พิสูจน์กันคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวกากขาโตัวภควตาธรรมูหรือเปล่าะ เป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วหรือเปล่าเป็นธรรมที่ถูกต้องไหมปฏิบัติแล้วดับความทุกข์ได้หรือเปล่าอันนี้แหละเราพิสูจน์ได้ทําไมเราไม่พิสูจน์แต่สิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีเทวดามาฟังกี่คนกี่ร้อยจากชั้นไหนอพิสูจน์ไม่ได้ก็ช่างมันไปเลยเราไปดูคอนเสิร์ตเราไปสนใจไม่มีคนมากี่ร้อยกี่พันกี่แสนคนมาจากที่ไหนเราสนใจแต่นักสแสดงเทนะ่านั้นขอให้สแสดงถูกใจเราก็เราก็พอใจแนละ้ว ส่วนคนมาฟังจะมาจากา เ, เศรษฐีระดับไหน อ, อยู่ที่ไหนมาเมืองไหนไม่สนใจไม่ไม่เกี่ยวกับเร า, าเกี่ยวกับเราก็คือคนแสดงเท่า น, นั้นนะผู้ที่ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเท่า น, นั้นที่ที่มีความสําสคัญกับเรา <S <S ส่วนคนมาดูมาฟังร่วมกันนี่เขาจะมาจากที่ไหนก็เรื่องของเขาใช่ไหมดังนั้นอย่าไปอย่าไปหลงประเด็นอ ชอบไปเอาประเด็นที่ไม่เป็นเปลือกมาเป็นประเด็นหลักส่วนประเด็นหลักเอากับกลายเป็นเปลือกไปประเด็นหลักก็คือคําสอนฟังแล้วนําเอาไปปฏิบัติได้หรือเปล่าพิสูจน์ได้หรือเปล่าพิสูจน์ได้คําสอนของพระเจ้านี้เป็นอาการวิโกเป็นสันติติโกผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองขอเอาไปปฏิบัติแล้วจะรู้ว่าทําของพระเจ้าดับทุกข์ได้หรือเปล่า หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้เปล่าส่วนเทวดงเทวดามาดูมาฟังเราไม่ได้อยู่ในยุคนั้นเราจะไปรู้เลยใครจะไปรู้ได้ <laughs> ย้อนอดีตไม่ได้หรอคะคำถามจากคุณโตค่ะถ้าศีลห้าไม่ครบนั่งสมาธิได้หรือเปล่าครับ อ่าถ้านั่งคุยกันแล้วมันจะนั่งสมาธิได้ไงนั่งโกหกกันเนี้ยนั่งเมาส์กันอยู่เนั้ยแลจะไปนั่งสมาธิได้ไงนั่งสมาธิกายวาจาก็ต้องสงบใช่ไหมนั่งกายก็ไม่ทําอะไรนั่งนิ่งๆวาจาก็ไม่พูดคุยกันถ้าพูดคุยกันแล้วมันจะไปนั่งได้ไงคําถามจากคุณชัชวานคะ่ะเราควรจะจัดการกับพานที่อยู่ในใจความพานที่อยู่ในใจเราอย่างไรครับ ก็สองวิธีวิธีแรกก็ใช้พุทโธใช้สติหยุดมันพอมันคิดไปในทางไม่ดีคิดจะไปชวนเราไปกินเหล้าแล้วก็พุทโธพุทโธไปพอเราพุทโธสักพักเดี๋ยวมันก็ลืมเรื่องอยากจะไปกินเหล้าก็หายไปถ้ามันคิดจะพาเราไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ล้วก็พุทโธพุทโธไปมันก็หยุดได้อทุกครั้งที่คนพาลเกือมาชวนเราไปทําอะไรไม่ดีเราก็พุทโธพุทโธไล่มันไปอ วิธีที่สองที่จะไล่มันอย่างถาวรก็คือใช้ปัญญาว่าการกระทําตามคนพาณ น, นําไปสู่ความทุกข์นําไปสู่ความาความชิบหายพูดง่ายๆท่าถ้าจะทํ า, อ ย, าทอย่าไปทําตามคนพานิคนพาณจะชวนเราไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวไปดื่มไปทําบาปทํากรรมอย่าไปเขาจะเจ้าบอกอย่าคบคนพาณให้คบบัณฑิตบัณฑิตก็คือ ใจที่ชวนให้เราไปทำบุญไปนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมนี่แหละบัณฑิตถ้าบัณฑิตมาก็รีบต้อนรับแล้วไปกับบัณฑิตเลยนะอย่าไปไล่ชอบไล่บัณฑิตเ้ือยพอผานมาไม่ยอมไล่เสียดายาคืนนี้มีคอนเสิร์ตดีนะที่นั่นที่นี่แหมเสียดายจะไม่นั่งสมาธิก็แหมสองจิตสองใจเอาไหนดีเอาผานดีแล้วเอาบัณฑิตดีในที่สุดก็ไปกับคนผาน คำถามจาก Facebook ค่ะคำถามจากคุณวิชาโลนเร่เมื่อก่อนหนูนั่งสมาธิแต่มันไม่ก้าวหน้าเลยแต่หนูได้ฟังทาพระอาจารย์ว่าให้ทําเป็นขั้นๆไปขั้นนี้หนูอยู่แค่ทําทานอยู่และทํารวมกับขั้นที่สองคือให้รักษาพุทโธไว้ในใจตลอดถ้าว่างโดยไม่ได้ทําอะไรสี่ห้าหนูก็พยายามจะไม่ให้ผิด แต่การนึกพุโทโธตลอดนี้มันก็ยังกระท่อนกระแท่นอยู่หนูก็เลยวางเรื่องสมาธิก็วางลงไปก่อนรอทําขั้นที่หนึ่งที่สองให้ดีกว่านี้ก่อนพระอาจารย์เรียนถาพระอาจารย์ว่าหนูทําถูกทางไหมคะก็ขั้นที่สามคือขั้นสมาธิทําได้เท่าไหร่ก็ควรจะทําทอย่าปล่อยอย่าไม่อย่าเลิกทําเลยกระท่อนกระแท่นก็ยังดีกว่าไม่ทําเหมือนเด็กที่มันหัดเดินใหม่ๆมันก็ต้องโ้มลุกคุกคาน ถ้าไม่หัดเดินไม่ผัดลุกมันก็จะลุกไม่ได้ะงั้นทําสมาธิก็ต้องทําไปทําได้มากน้อยก็พยายามทําไปดีกว่าไม่ทําคือมันต้องทําพร้อมๆกันทั้งหมดะทานเมื่อถึงเวลาต้องทําก็ทำํำเราไม่ได้ทําทานตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมเราไม่อาจจะไม่ต้องทําทุกวันก็ได้เพราะบางวันเราไม่มีเงินเราก็ไม่ต้องทำํำเช่นเราอาจจะทําหนเดียวต่อเดือนก็ได้เดือนหนึ่งมีเงินเดือนเท่าไหร่ก็แบ่งไป เงนที่เราจะทำบุญทำทานก็ทำมันไปทีเดียวก็จบแล้ะศีลเราก็รักษาได้ตลอดเวลาดั้เวลาก็จะมีเวลาที่จะมาฝึกสมาธิสติพุโทโธพุธโทโธดังนั้นอย่าปล่อยวางสติมันขาดพยายามทำไปเท่าที่เราจะทำได้น้มลุกคุกขาดก็ไม่เป็นไรต่อไปมันก็จะต่อเนื่องใหม่ๆมันก็ทำแบบกระท่อนกระแท่นทำแล้วก็หายหายแล้วก็โผล่ขึ้นมาใหม่ เราก็พยายามบังคับดึงมันกลับมาบ่อยๆพุดโธบ่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็จะอยู่คู่กับใจเราไปคำถามจากคุณวินัยนาคเจอทองถ้าเหนือร่างกายคือจิตเหนือจิตคือสติเหนือสติคือปัญญาปัญญาต้องมาจากประสบการณ์และการฝึกฝนอันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับปออัญญามาได้หลายทางนอกจากประสบการณ์แล้วก็มาจากคนที่ฉลาดกว่าเรา อย่างเราไปโรงเรียนนี่เราไปเอาปัญญาจากคนที่เจริญกว่าเราเรียนจากครูครูก็จบปริญญาแล้วเขามาสอนเราถ้าเราไม่ไปเรียนจากครูเราก็จะไม่รู้สิ่งที่ครูเขารู้ประสบการณ์บางทีมันไม่มีความรู้เหล่านี้มันก็มีความแหล่งที่มามันมีทั้งประสบการณ์ทั้งจากการได้ศึกษาทางธรรมะนี่ส่วนใหญ่นี่ถ้าไม่มีทำไม่มีคนสอนจะไม่ค่อยรู้กัน งต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นแหล่งของปัญญาประสบประการของเราถึงแม้จะเป็นประสบประการณ์แต่เราไม่มีปัญญาที่จะวิเคราะห์ว่ามันเป็นคุณหรือเป็นโทษกินเหล้าเมาก็ยังวิเคราะห์ไม่ถูกว่ามันเป็นโทษหมดเนื้อหมดตัวเพราะใช้เงินทองแบบสุรุย่ยสุรายก็วิเคราะห์ไม่ออกว่าทำไมเงินทองเราหมดเพราะใช้เงินไม่เป็นใช้แบบสุรุย่ยสุรายใช้ไม่มีเหตุมีผล มีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้นี่มีประสบะการณ์แตไม่มีปัญญานี่ก็ลองอาศัยฟังปัญญาจากพุทธเจ้าพุทเจ้าบอกการจะใช้เงินใช้ทองต้องใช้ด้วยเหตุด้วยผลใช้กับสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นอย่าไปใช้เลยเหมือนกับโยนเงินทิ้งไปเปล่าๆเพราะใช้ไปเท่าไหร่มันก็หมดแล้วก็ไม่พออยากจะใช้ไปเรื่อยๆนี่คือปัญญาที่เราจะได้จากผู้รู้ผู้เห็นอย่างพระพุทธเจ้า ที่เราไม่จะไม่สามารถหาได้จากประสบะการณ์ของเราคำถามจากคุณแมนนี่ค่ะถ้าคนข้างบ้านมาใส่ร้ายเราให้คนที่ทำงานรู้แสดงว่าเป็นกรรมเราหรือไม่ถ้าใช่ควรทำอย่างไรให้คนที่ทำงานครอปไลน์แล้วให้กระบวนยุติธรรมตัดสินหรือให้อภัยย้ายบ้านดีครับผมก็เราต้องดูที่ตัวเราก่อนว่า เขาพูดนี่จริงหรือไม่จริงเนเราผิดจริงหรือเปล่าผิดตามที่เขาใส่ร้ายหรือเปล่าถ้าผิดเราก็ต้องแก้ไขตัวเราถ้าผิดก็ยอมรับโทษไปแต่ถ้าเราไม่ผิดเราก็ยืนบนความจริงใครก็จะพูดไงมันก็เปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้คนที่จยหูเบาแล้วก็ไปห้ามเขาไม่ได้เงี่เราไม่ต้องย้ายบ้านไม่ต้องย้ายที่เราก็อยู่ของเราไปเป็นปกติถ้าเราไม่มีความผิด ถ้าเรามีความผิดก็ไปสารภาพเสียไปยอมรับโทษเสียไปเปลี่ยนแปลงตัวเราเสียอันก็มีเท่านั้นที่เราทำได้เรื่องของคนอื่นเราไปควบคุมบังคับขอไม่ได้ให้เขาเชื่อเราไม่ได้หรือไม่เชื่อเราไม่ได้แม้แต่เขาพิสูจน์เขาตัดสินอาจจะตัดสินผิดก็ได้เขาอาจจะเอาหลักฐานเท็จมามาสร้างขึ้นมาแล้วก็กล่าวร้ายกล่าวโทษเราลงโทษเราก็ได้ ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการมาเกิดก็แล้วกันถ้าเกิดแล้วมันก็ต้องมีมีทุกข์มีเคราะมีถือว่าเป็นอุบัติเหตุขับรถบนท้องถนนมันก็ต้องมีโอกาสถูกเขาชนใช่ไหมถ้าไม่อยากจะถูกรถชนก็อย่าไปขับรถอย่าไปอยู่บนท้องถนนถ้าไม่อยากจะตกเครื่องบินก็อย่าไปขึ้นเครื่องบินเห็นไหมถ้าไม่อยากจะมาเจอเคราะห์กรรมก็อย่ามาเกิด ถ้ามาเกิดแล้วก็ต้องเตรียมตัวรับไปทำใจไว้อย่างมากก็ติดคุกติดตารางไปดี้เอกมีข้าวฟรีบ้านฟรีอยู่ฟรีมีรอพ อ, พอดูแลรักษาตลอด24ชั่วโมงไม่นจะเสียหายตรงไหนเลยคำถามจากคุณวิเชียนค่ะการเดินจงกรมสามารถทำให้จิตรวมเป็นเอกาตตารมได้ไหมครับผมนั่งสมาธิแล้วมันหลับครับออยากเพราะว่าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่ เดี๋จะรวมนี่นั่งกายต้องนิ่งก่อนนอกจากไปเจอเหตุการณ์ที่มันกระทุ้งจิตใจอย่างรุนแรงเช่นเดินไปจ้าเอกับเสืออย่างนี้จ้าเอกับงูถ้าสติดีๆมันก็พุทเข้าไปข้างในดึงเข้าข้างในได้แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์มันกระทุ้งจิตให้เข้ามันไม่เข้านั้นต้องนั่งถึงจะรวมแต่การเดินก็ดีถ้ายังนั่งไม่ได้แสดงว่าสติเรายังมีกําลังไม่พอ เราก็ต้องเดินมากๆเดินเพื่อฝึกสติไปก่อน ม, มีพระก็สอนพี่น้องเขาที่มามาปฏิบัติว่าให้เดินสามชั่วโมงแล้วก็สลับกับนั่งหนึ่งชั่วโมงถ้านั่งนานไม่ได้ก็นั่งแค่ชั่วโมงแล้วก็มาเดินสามชั่วโมงเดินพุทโธพุทโธไปสามชั่วโมงต่อไปสติก็จะมีกำลังมากขึ้นแล้วจะนั่งได้นานไปเรื่อยๆต่อไปต่อไปจะนั่งได้มากกว่าเดิน ในหมายนี้เราเดินได้มากกว่านั่งเพราะว่าสติเราไม่ยังไม่พอคำถามจากคุณติก๊กี้เมื่อนั่งสมาธิแล้ว เ, เกิดนิมิตกับความฟุ้งของจิตเหมือนกันไหมคะแต่เมื่อเกิดนิมิตก็ภาวนาต่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นมาอยู่ที่การภาวนาต่อคะ่ะ อ, อ, อย่าไปสนใจกับอะไรที่มาปรากฏในขณะที่เรากำลังภาวนา ให้เราอยู่กับองค์ภาวนาคือลมหายใจเข้าออกหรือพุโทโธพุโทโธอะไรจะมาปรากฏความรู้สึกอะไรต่างๆอย่าไปสนใจถ้าไปสนใจแล้วเราจะไม่มีสติไม่มีสมาธิแล้วจะนั่งต่อไปไม่ได้จิตจะไม่สงบคำถามจากคุณวุชทิชัยตัวระลึกรู้กับจิตแ ต, ตกต่างกันอย่างไรแยกออกจากกันอย่างไรครับจิตคือตัวรู้ ตัวรลึกรู้คือตัวที่ดึงให้จิตลราเลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าไม่มีตัวลราเลึกรู้มันก็จะรู้แบบแบบทะเลทลายเหมือนเด็กมันไม่อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะทะเลทลายไปตามเรื่องต่างๆที่มาซะให้มันสัมผสัสรับรู้พอเสียงมามันก็จะไปรู้กับเสียงพอกลิ่นมามันก็จะไปรู้กับกลิ่นพอความคิดนั้นมามันก็จะไปรู้กับความคิดนั้นเ ร, เรียกว่าตัวจิตที่ไม่มีตัวสติคอยดึงไว ถ้ามีสติก็จะบังคับให้มันรู้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้รู้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวจะมีเสียงมากระทบก็ไม่ไปสนใจจะได้ลมกิ่นก็จะไม่สนใจให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปจิตจะได้เป็นหนึ่งจิตจะได้เป็นสมาธิได้ถ้าไม่มีสติจิตก็จะวกแว ก, วกไปซ้ายไปขวาเหมือนคนเดินเมาเหล้าเดินเดินไปซ้ายบ้างเดินไปขวาบ้างล้มบ้างยืนบ้าง แต่ถ้ามีสติก็จะเดินตรงอย่างนี้นดี๋ยวนี้เวลาตำรวจก็จับคนขับรถเมาเขาบอกให้เดินดูให้เดินให้ดูหน่อยดิยถ้าเดินตรงไม่ได้ก็รู้เลาเมานะไม่มีสติแลขาดสติคำถามจากคุณแอนทิติยารัตซื้อสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเราดูแลอย่างดีแล้วเขาตายเป็นบาปไหมคะถ้าเราไม่ได้ทำให้มันตายมันตายโดยเรื่องของมัน ก็ไม่บาปเหมือนกับเราเลี้ยงลูกนี่ลูกตายไปบาปไหมถ้าเราไม่ได้ฆ่าลูกถ้าไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทําให้เขาตายไม่บาปนะหรือว่าถ้าทอทิ้งก็ไม่ดูแลเขานี่ยก็จะถือว่าโหดร้ายทารุณขาดความเมตตาอย่ยังไม่ถึงกับบาปคําถามจากคุณภาวินีโยมโดนหลอกเรื่องการโอนเงินซื้อของออนไลน์จํานวนหนึ่งแต่โยมนั่งพิจารณาตอนแรกว่าจะแจ้งความ แต่กลัวเป็นเวรเป็นกรรมกันโยมทาถูกต้องไหมเจ้าคะก็แล้วแต่ถ้ากลัวจะมีเวรมีกรรมก็ถือว่าทำบุญทำทานไปถ้าอยากจะได้คืนก็อาจจะมีเวรมีกรรมกันก็เป็นทางเลือกสองทางทางทาได้ทั้งสองทางคำถามจากคุณชนะตนโยมทาทานรักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อย และส่วนใหญ่พยายามจะถือสิลแปดและนั่งสมาธิประจำฟังธรรมบ่อยๆและพิจารณาความไายเรื่อยๆเป็นการทำมรรคของโซดาปฏิมรรคครบหรือยังคะครบแต่น้อยมันต้องทำมากๆทำตลอดเวลาไม่ไปทำงานอย่างอื่นแล้วก็ต้องไปทำข้อสอบเพียงแต่คิดถึงความตายยังไม่ได้ทำข้อสอบเป็นการทาการบ้าน ทำข้อสอบก็ต้องไปอยู่ที่มันน่ากลัวที่อาจจะเกิดความตายขึ้นมาได้แล้วดูซิว่าทำข้อสอบได้หรือเปล่ากลัวตายหรือเปล่าถ้าไม่กลัวตายไปอยู่คนเดียวในป่าดูาคำถามจากคุณต่อสักการโกหกบิดามารดาเพื่อให้ท่านสบายใจเป็นบาปไหมครับผมบาปให้เราสบายใจมากกว่ามั้งโดยอ้างก็ให้เขาสบายใจ เราไม่ต้องโกหกก็ไดไ้เราก็ไม่ต้องพูดท่านเองก็ถามอะไรมาเราพูดความจริงไม่ได้แล้วก็อย่าไปพูดพูดเรื่องอื่นไปพูดว่าบางนี้อากาศไม่ดีเลยร้อนเหลือเกินพูดได้หรือแมงก็อย่าไปพูดไม่พูดเขาจะมาบางังคับให้เราพูดได้ยังไงคำถามจากคุณเคเจโฟโตกราฟิกสระหว่างคนที่ฆ่าสัตว์คนขายเนื้อสัตว์คนกินเนื้อสัตว์บุคคลแบบไหนที่เรียกว่า สร้างอสุรละกุศลกรรมหรือสร้างกุศลกรรมแล้วแต่ทั้งสามนี้อาจจะสร้างร่วมกันก็ได้เช่นคนกินอยากจะกินก็ไปสั่งคนขายว่า<ม>พรุ่งนี้เอาไก่ตัวหนึ่งคนขายอยากจะขายไก่ก็ไปสั่งให้คนค้าพรุ่งนี้ค้าไก่มาให้ตัวหนึ่งมันก็บาปด้วยกันทั้งสามคนคนค้าก็บาปคนสั่งก็บาปแต่ถ้าคนกินไปซื้อของที่ตายแล้วโดยที่ไม่ได้ไปสั่งเขาก็ไม่บาป คนขายก็ไม่ได้ไปสั่งคนข้าให้ข้ามาขายก็ไม่บาปก็อยู่ที่คนฆ่าคนเดียวยังไงแล้วแต่ว่าทำหรือทำหรือไม่ทําทําเองก็ดีสั่งเขาทาก็ดีนี่ถือว่าบาปเท่ากันคําถามจากคุณพิไลพรจะแก้อาการง่วงนอนแบบมากๆได้ยังไงเจ้าค่ะก็เดินเลยเดินมากๆง่วงง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินถ้าเดินยังง่วงอยู่ก็อดอาหารซะลดการกินอาหาร ถ้ามันหิวมันก็จะไม่ง่วงเลอถ้าอดไม่ได้ก็ไปอยู่ที่หน้ากลัวไปเดินจงกรมในป่าชาไปนั่งสมาธิในป่าชาดูรับ ล, ลองได้ไม่ง่วงนอนคำถามจากคุณคำถามจาก YouTube นะคะคำถามจากคุณไอซ์เบอรี่พอจะนั่งสมาธิจิตมักจะห่วนไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วเป็นเพราะกิเลส ช, ชักชวนให้เรา ห่างจากการทำความดีคือความตั้งใจที่จะที่เราจะนั่งสมาธิหรืออย่างไรคะไม่มีสติเราต้องฝึกสติก่อนจะมานั่งเราต้องสามารถควบคุมจิตให้อยู่กับพุทธโธให้ได้ก่อนไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราควบคุมมันได้เวลานั่งสมาธิให้มันอยู่กับพุทธโธมันก็จะอยู่กับพุทธโธให้อยู่กับลมมันก็จะอยู่กับลมแล้วจิตก็จะสงบได้ไม่ไปคิดถึงอดีตไม่ไปคิดถึงอนาคต ดน้นต้องฝึกสติก่อนขั้นก่อนที่จะนั่งสมาธิได้ต้องมีสติก่อนต้องฝึกสติให้มากๆฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาเลยเพราะปกติพอเราตื่นขึ้นมาจิตมันเริ่มคิดแล้วคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องคิดเราต้องหยุดมันนะต้องพุโทโธพุโทโธแทนเวลาทํางานที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าปล่อยมันคิดเช่ น, นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันมันจะไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตก็อย่าปล่อยให้มันไป ดึงมันกลับมาให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ก็ได้ให้อยู่กับพุทโธก็ได้ถ้าเราดึงมันให้อยู่กับปัจจุบันได้เดี๋ยวเวลานั่งสมาธิเราก็จะให้มันอยู่กับปัจจุบันต่อไปได้ให้อยู่กับลมได้ให้อยู่กับพุทโธได้คาถามจากคุณชาชวังกลับมาที่เ c e b o o k นะคะการปฏิบัติธรรมควรตื่นตั้งแต่ีสภาวนาใช่ไหมครับก็แล้วแต่ การกินการอยู่ของเราเรานอนกี่โมงถ้านอนตีสองไปงตื่นตีสี่มันก็ไม่ไหวคือพระพุทธเจ้าบอกปกติคนเรานี่นอนอเกินละสี่ห้า 4, ชั่วโมงก็พอพักผ่อนสี่ห้าชั่วโมงอย่างสมมติถ้าเรานอนสองยามก็ตีสีก็ตื่นขึ้นมาก็ได้หรื 5. อตีห้าแต่ถ้าเรานอนสี่ทุ่มนี้เราก็ตื่นขึ้ น, นมา นับตามเวลาที่เราได้พักเนี่ยร่างกายพอเรานอนไปถ้าร่างกายมันได้พักจริงๆสี่ห้าชั่วโมงมันก็จะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาที่เราจะลุกหรือไม่ลุกก็อยู่ที่ว่าเราจะตั้งใจลุกหรือไม่ถ้าเราไม่ตั้งใจเดี๋ยวก็นอนบนฟูกหนาๆนะมันสบายเดี๋ยวก็จะนอนต่อแต่ถ้าเรานอนบนพื้นแข็งๆอาจจะถูกบังคับให้ลุกก็ได้เพราะมันไม่สบายพอร่างกายตื่นแล้วเราก็อาจจะลุกขึ้นมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมต่อไป คำถามจากคุณรันทโรคุง <ism> ผมกลัวตายมากครับทำยังไงดีครับกลัวมากผมอ่านข่าวหัวใจวายกลัวหัวใจวายแบบในข่าวถ้าการใจสั่นคิดมากก็นั่งสมาธิไม่ได้เลยครับก็ต้องฝึกสติไปก่อนฝึกสวดมนต์ไปก่อนสวดบทเทวดาสอนว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายไปเป็นธรรมดาลงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ เลยถ้ายังคิดไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปสวดบทนี้ให้สวดอิติปิโสอะรหังสัมมาเพื่อให้ใจมีสติขึ้นมาก่อนพอมีสติแล้วก็พอสวดได้แล้วต่อไปก็อาจจะฝึกใช้พุทโธฝึกไปเรื่อยๆคอยควบคุมความคิดไว้พอเกิดความกลัวตายก็ใช้สติหยุดมันพุทโธพุทโธหยุดมันจนกว่าจิตเราจะมีกำลังที่จะกล้ามองความจริงคอยสอนว่าความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดา ถล้าสิ่งที่ตายก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นตุ๊กตาที่เราได้มาจากพ่อจากแม่เอามาเล่นกันแล้วเราก็ไปสมมติว่าเราเป็นเป็นร่างกายไปแล้วก็เลยกลัวตายคิดว่าร่างกายตายแล้วเราจะตายไปกับร่างกาย อ, าอันนี้เป็นขั้นตอนของปัญญาแต่ก่อนจะไปถึงขั้นตอนนั้นได้ต้องมีความสงบมีสมาธิก่อนก่อนจะมีความสงบมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อน การมีสติได้ก็ต้องสวดมนต์ไปต้องพุโทโธไปก่อนเนี่ยยงต้องมาหัด ส, สวดมนต์มาหัดพุดโทโธแล้วใจจะมีพลังที่จะต่อสู้พบเผชิญกับความจริงได้ศึกษาความจริงได้คำถามจากคุณเอฟค่ะอยากเห็นวิญญาณอยากมีเพื่อนเป็นวิญญาณต้องทำยังไงจะะ้ะคะนั่งสมาธินั่งสนนิบาติถ้าจิตรวันบางทีวิ ญ, ญญาณก็จะมาหายเทวาดาก็เป็นวิญญาณอย่างหนึง่ง คนที่ตายไปแล้วก็เป็นวิญญาณเหมือนกันถ้าเขาทำบุญเขาก็ได้เป็นเทวดาถ้าเขาทำบาปเขาก็จะได้เป็นเปรตเขาก็เป็นวิญญาณเหมือนกันต่างกันตรงที่เปรตมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความหิวเทวดานี่มีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มเพราะอำนาจของบุญหรีบซะเดี๋ยวเดี๋ยวฝนจะมาไล่นะคำถามจากคุณทัชวานค่ะ การปฏิบัติพุทธภูมิกับสาวกภูมิแตกต่างกันอย่างไรครับเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าพุทธภูมินี้ขอผัดไว้ก่อนขอรออีกสักร้านชาติค่อยไปแต่ถ้าสาว ก, ภ, กภูมิก็ขอเอาชาตินี้เลยคําถามจากกุ้งชุติมาธดาทําไมจึงรู้สึกว่าใจไม่อยากยุ่งเกี่ยวเมื่อมีคนมาชักชวนให้ทําธุรกิจต่างๆ ใช้ของต่างๆที่จะทำให้สวยให้งามอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งคนเหล่านี้ก็เป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนสนิทจะทำอย่างไรใจจะยอมรับได้เพราะตัวเองไม่ชอบเลยค่ะ ค, คิดว่าเพื่อนนี่สนิทกันเคยไปวัดทาบุญด้วยกันบ่อยๆแต่เดี๋ยวนี้เราดูลมหายใจแต่เขามีธุรกิจมากกว่า หรือเราเป็นคนขี้เกียจไม่กระตือรือร้นทําธุรกิจเสริมจากงานประจําจึงทําให้ฐานะการเงินไม่ร่ำรวยก็อยากมีเงินเยอะๆมาทำบุญเหมือนกันค่ะแต่ใจก็ไม่ฝักใฝ่เรื่องธุรกิจเสริมแบบที่เขาทํากันเพราะหน้าที่คือครูก็หนักอยู่แล้วเพราะจริงๆชอบที่จะไปฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมมากกว่าก็แสดงว่าเราฝ่ายธรรมเราไม่ฝ่ายเงินฝ่ายทอง เอาแล้วะนะคิดว่าวันนี้จะขอหยุดล่วงหน้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกเดี๋ยวญาติโยมจะกลับกันไม่ทันก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอาน